มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรี สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการกลเม็ดครัวไอเดียค่ะอยู่กับดิฉันพานุมาตรหัตถบุญรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็ทีมงานวิทยุราชมงคลธัญบุรีทุกท่านนะคะรายการกลเม็ดครัวไอเดียนะคะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารนะคะมี3มช่วงด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกลเม็ดลุยเข้าครัวนะคะที่จะพูดถึงเรื่องราวของการ ออกทาครัวนะคะหรือว่าการที่เราจะมาปรุงอาหารถนอมอาหารนะคะกละเม็ดกลวิธีต่างๆส่วนช่วงที่2งนั้นนะคะวันนี้เอมีเรื่องราวของการตกแต่งห้องครัวด้วย7วิธีง่ายๆนะคะมาบอกกันเป็นเทคนิคที่จะบอกว่าเป็นเคล็ดลับไหมก็อาจจะเป็นเคล็ดลับก็ได้นะคะแต่ว่าไม่สงวนให้คุณผู้ฟังเนี่ย เอาไว้ทําตามได้เลยนะคะใครที่แบบว่าชอบแบบไหนนําไปประยุกต์ใช้นะคะกับครัวของคุณผู้ฟังแล้วก็เอาความชอบส่วนตัวนะเอาความชอบของเราบวกกับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะไปผสมกันนะออกมาดีแน่นอนนะคะและช่วงสุดท้ายของรายการนั้นนะคะก็คือกลเม็ดเกล็ดท้ายครัวค่ะที่เราจะมีเคล็ดลับของการทําความสะอาดนะคะหลังจากที่เราใช้ห้องครัวเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้มาฝากกัน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 โดยคลิกที่แอปพลิเคชัน line แล้วพิมพ์ @rmutt จากนั้นกดเพิ่มเพื่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งกับบ้านราชมงคลธัญบุรีแล้วค่ะ Line Official rmutt ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์แห่งใหม่ของคนทุกวัย <Like. S 1> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี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 สมัครฟรีไม่มีค่าใช้ จ, จ่ายสอบถามเพิ่มเติมที่02 549 3653 RMU TT Farm Shop ยินดีดต้อนรับค่ะ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 เข้าสู่ช่วงของกลเม็ดลุยเข้าครัวนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เอมีเรื่องราวของขนมไทยที่ถือได้ว่าหายากมากในปัจจุบันนี้เพราะว่าเราจะหาทานกันซื้อแับทองหยิบทองหยอดอะไรแบบนี้ก็หาไม่ค่อยได้แล้วนะคะเพราะว่าขนมนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นขนมไทยที่หายากที่สุดในโลกแต่ว่าอร่อยไม่เหมือนใครด้วยนั่นก็คือขนมมงกุฎเพชรนั่นเองนะคะ ขนมมงกุฎเพชรเป็นขนมไทยที่ทรงคุณค่าแล้วก็เป็นขนมอนุรักษ์ในการทําขนมที่มีขั้นตอนกันกวาดเม็ดแปงนะคะซึ่งเจ้าของที่คิดขนมชนิดนี้ขึ้นมาเนี่ยมีชื่อว่าอาจารย์จันทร์ที่รานวทิศพาณิชย์นะคะทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและมอบให้เป็นขนมของแผ่นดินในรัชกาลที่9เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนมไทยเพราะก่อนหน้านี้จะมีขนมที่ใช้ในการประกวดในยุค ข, ของจอมพลปพิบูลสงครามที่มีชื่อว่า ขนมดาราทองที่มีขั้นตอนการทำนะคะจะเป็นการกวาดเม็ดแตงแต่ด้วยความทำยากนะคะจึงทาให้ขนมดาราทองแล้วก็วิธีการทำขนมแบบกวาดเม็ดแตงเนี่ยห่างหายไปอาจารย์จันทิราค่ะจึงได้คิดค้นนะคะการทำขนมที่ใช้ขั้นตอนในการกวาดเม็ดแตงขึ้นใหม่นั่นก็คือขนมมงกุดเพชรนั่นเองค่ะ สำหรับขั้นตอนการทําขนมมงกุฎเพชรนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะคุณผู้ฟังทําน้ําเชื่อมโดยการตั้งกระทะโดยใช้ไฟปานกลางพอนะคะแล้วก็ใส่น้ําที่แช่ด้วยดอกมะลิลงไปแล้วใส่น้ําตาลตามลงไปในกระทะ1ถ้วยค่ะคนให้น้ําตาลละลายประมาณ5นาทีเสร็จแล้วก็รอน้ําเชื่อมนะคะให้หายร้อนค่ะ ต่อมานะคะเราต้องคัดเลือกเม็ดแตงโมนะคะที่แกะเปลือกแล้วก็มีปลายยอดแหลม เราก็ต้องใช้เม็ดแตงโมที่มีความสมบูรณ์เท่านั้นในการทำขนมชนิดนี้เสร็จแล้วค่ะให้นำเม็ดแตงโมนะคะลงไปคั่วที่กระทะโดยใช้ไฟอ่อนๆถึงอ่อนที่สุดค่ะเอามือนะคะที่ผ่านการทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำเชื่อมที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้นะคะเอาไปคั่วกบกระทะที่มีเม็ดแตงอยู่นั่นเอง ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะมีก้อนเกล็ดของน้ำเชื่อมนะคะเกาะที่เม็ดแตงไปจนทั่วทั้งเมล็ดจนกระทั่งกลายเป็นเกล็ดเพชรค่ะซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลาในการทําประมาณ3ถึง7ชั่วโมงด้วยกันเสร็จแล้วนะคะก็ให้นำไปตากแดดค่ะ มาถึงขั้นตอนของการที่เราจะทำตัวฐานของขนมมงกุฎเพชรนะคะให้ใช้แป้งสาลีหนึ่งถ้วยและใช้น้ำนะคะที่ลอยด้วยดอกไม้ตามด้วยเนยและนำมานวดให้เข้ากันค่ะ นวดจนกว่าเนื้อของแป้งนะคะจะนิ่มแล้วก็นําออกมาปั้นกลมๆท่าปว้กับถ้วยค่ะที่สามารถเข้าเตาอบได้ก่อนที่จะนําเข้าเตาอบนะคะให้เจาะรูด้วยไม้แหลมที่สะอาดนีคะที่ตัวแป้งนะให้เป็นรูเล็กๆนะคะเพื่อไม่ให้ตัวแป้งเนี่ยพองเวลาโดนความร้อนเราจะใช้เวลาอบด้วยกัน30นาทีนะคะเสร็จแล้วเนี่ยจะได้เป็นฐานของขนมม ง, งกุฎเพชรค่ะ มาถึงการทำตัวของขนมมงกุฎเพชรนะคะให้ใช้เกลือผสมน้ำตาลเทลงไปในน้ำกะทิ1ถ้วยโดยใช้น้ำตาลทรายเศษหนึ่งส่วนสี่ใส่เกลือไม่เกินครึ่งของช้อนชาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะน้ำแป้งข้าวเจ้าห้ากรัมค่ะแล้วก็แป้งมันสิบกรัมแป้งถั่ว1ิกรัมคนให้เข้ากันนะคะมาผสมกับน้ำกะทิที่ เราเนี่ยได้ทำไว้คนให้เข้ากันจนกว่าจะได้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็นาไปกรองด้วยตะแกรงสแตนเลสลวดถักแบบถี่นะคะเพื่อไม่ให้มีเศษกากใดๆติดมา จากนั้นก็นําไปกวนในกระทะค่ะโดยใช้ไฟ อ, อ่ อ, อนๆกวนจนกว่าแป้งจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะยิ่งใช้ไฟอ่อนเท่าไหร่เนี่ยแป้งจะยิ่งนุ่มมากเท่านั้นเสร็จแล้วค่ะให้นําแป้งที่กวนเสร็จใหม่ๆนะคะมาปั้นเป็นก้อนเล็กๆให้มีขนาดเท่ากับเม็ดไม้ยมนะคะแล้วก็เป็นเม็ดม้ยมเม็ดใหญ่นะคะคุณผู้ฟังจากนั้นเนี่ยให้ทําการใส่สีโดยเราจะใช้สีจากธรรมชาตินะคะอย่างเช่นสีขมิน้นสีอัญชันสีใบเตยนะคะแล้วเราก็จะมานวดแป้ง แป้งให้เข้ากับสีนะคะคือนวดแป้งกับสีเนี่ยแหละให้เข้ากันนะจนตัวแป้งมีสีที่สม่ําเสมอนะคะแล้วก็เอามาปั้นอีกครั้งหนึ่งโดยจะปั้นเป็นลูกกลมๆค่ะแล้วก็แบ่งเป็นกลีบนะคะหกถึงแกลีบด้วยกันเมื่อทําเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นลักษณะที่คล้ายๆกับเม็ดมะยมนะคะหรือว่ามงกุฎของฝรั่งจากนั้นให้ทําเป็นรูค่ะแล้วก็เอาแป้งเนี่ยมาปักไว้นะคะเป็นส่วนของยอดของมองกุฎนั่นเอง หลังจากนั้นนะคะให้นำเม็ดแต่งที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยมาเสียบรอบๆ บ, บริเวณตัวฐานจะได้ห้าถึงเจ็ดเม็ดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาตัวของมงกุฎเพชรนะคะมาวางปิดยอดด้วยทองคำเปลวแท้บริสุทธิ์ค่ะเป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์นะคะนี่ก็คือขั้นตอนของการทำขนมมงกุฎเพชรนะคะเป็นขนมที่ หายากในปัจจุบันนี้นะคะมีน้อยคนนักที่จะทำได้ก็ถือว่าเป็นขนมไทยนะคะที่ต้องใช้ความพิถีพิถันและทำด้วยใจรักและใจเย็นเพราะขนมชนิดนี้ต้องใช้วิธีการกวาดเม็ดแตงนะคะที่คนทำต้องเจอกับกระทะร้อนๆนในเวลาที่นานค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังเอมี7 เ, เทคนิคการจัดครัวใหม่ง่ายๆมุมไหนก็น่าใช้มาฝากกันค่ะ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 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบรุรีศูนย์รังสิ์ปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิเ่มเติม 02-592-1933 กาลับเข้าสู่ช่วงนี้นะคะกับช่วงของกลเม็ดเกล็ดเสริมครัวค่ะวันนี้เอเมเจ็ดเทคนิคนะคะการจัดครัวใหม่ง่ายๆมุมไหนก็น่าใช้มาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังเคยเข้าห้องครัวเรารู้สึกอดึอดอดัดอุด อะไรแบบนี้บ้างไหมคะถ้าคำตอบคือใช่นะหรือว่าแน่นอนเลยเย่าปล่อยเอาไว้นานนะคะมาขจัดความรู้สึกเหล่านี้ด้วยการตกแต่งห้องครัวใหม่โดยไม่ต้องรีโนเวตยกห้องนะคะกันดีกว่าหลายคนเนี่ยไม่ชอบการตกแต่งบ้านที่มีรายละเอียดกระจุกกระจิกนะคะอย่างในห้องครัวจึงปล่อยให้ห้องครัวเนี่ย ทั้งที่จริงแล้วห้องครัวเราเองนะคะก็มีพื้นที่ที่กว้างขวางเพราะว่าไม่ว่าจะมองไปทางไหนเนี่ยก็จะเจอกับข้าวของนะคะขวดเครื่องปรุงภาชนะต่างๆถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องปรับโฉมนะคะห้องครัวของเราใหม่มุมใดมุมหนึ่งก็ได้นะคะเพียงแค่จัดเก็บของให้เป็นระเบียบแล้วก็หลบสายตาเพียงเท่านี้ห้องครัวสวยๆก็จะกลับคืนมาแล้วล่ะคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะคุณผู้ฟังงานแขวนต้องมี ห้องครัวเนี่ยเปรียบเสมือนกับพื้นที่ส่วนตัวของคนรักในการทำอาหารอย่างที่บอกนะคะพอนานเข้าแล้วเนี่ยของเริ่มเยอะพื้นที่ก็จะ ยิ่งแน่นขึ้นเรื่อยๆหากตู้หากตู้นะคะตู้สำหรับการจัดเก็บอุปกรณ์เนี่ยมันเต็มแนะนำว่าให้ทำตะแกรงค่ะคุณผู้ฟังเป็นตะแกรงเหล็กนะคะห้อยจากเพดานลงมาแล้วก็หาตะขอนะคะรูปตัว S มาแขวนเกี่ยวไว้นะคะจะแขวนอะไรก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังหูมอภนะาชนะต่างๆนะคะแล้วก็พอล้างทำความสะอาดเสร็จนะคะก็แขวนเก็บได้เลย แบบนี้ง่ายๆแค่นี้เองนะคะอย่างที่2นะคะคุณผู้ฟังเทคนิคที่2กับการจัดพื้นที่ในแนวตั้งทำชั้นลอยนะคะติดผนังสำหรับพื้นที่ในการจัดเก็บเพราะว่าชั้นลอยแบบนี้เนี่ยช่วยประหยัดพื้นที่ได้มากเลยทีเดียวสำหรับการเก็บภาชนะเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างแก้วหรือว่าขวดเครื่องปรุงต่างๆไม่ต้องลงทุนมากก็สร้างระเบียบได้ค่ะข้อที่3นะคะใหญ่มากเก็บได้เยอะ แต่สําหรับใครนะคะที่กําลังจะเลือกชุดครัวใหม่แล้วแล้วก็ถ้ามีของเยอะก็ยิ่งต้องเลือกให้ดีลิ้นชักแนะะ่ขนาดใหญ่เนี่ยควรจะมีการแบ่งนะคะแบ่งซอยแบ่งช่องให้พอดีกับของที่อยู่ข้างในทําให้มีระเบียบมากขึ้นทําให้หยิบจับใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะข้อต่อมานะคะเป็นข้อที่สี่แล้วกับไอเดียเล็กๆบางครั้งเนี่ยก็ต้องอาศัยไอเดียเล็กๆ เ, เพื่อให้ห้องครัวนั้นเป็น ระเบียบนะคะลองเลือกกระป๋องสแตนเลสสำหรับอุปกรณ์ทาอาหารที่ใช้บ่อยๆไว้ใกล้เตานะคะอย่างตะหลิวกระบ u ยทพัพพีการจัดระเบียบอย่างชาญฉลาดเนี่ยจะช่วยให้การใช้ชีวิตในห้องครัวนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมาข้อที่5นะคะตัวช่วยสุดง่ายเลยเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสุดง่ายประจำห้องครัวนะคะนั่นก็คือตะแกรงความจานค่ะ สำหรับห้องครัวใครก็ตามนะคะที่พื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอแล้วแล้วก็ลองใช้วิธีนี้ดูค่ะหาซื้อง่ายได้ทั่วไปช่วยเก็บจานให้เป็นระเบียบมากขึ้นกว่าเดิมข้อที่6นะคะกล่องแยกประเภทลิ้นชักของชุดครัวเนี่ยพร้อมกล่องช่วยแยกประเภทการใช้แบบนี้จะช่วยให้เก็บของให้เป็นระเบียบหยิบสะดวกน่าใช้งานลืมความยุ่งเหยิงภายในลิ้นชักนะคะเก็บซ่อมเก็บช้อนไปได้เลยข้อสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับเทคนิค ข้อที่7นะคะครัวใหญ่ชอบทำอาหารไม่ว่าจะด้วยความชอบส่วนตัวนะคะหรือว่าด้วยความจำเป็นในการใช้งานก็ตามบ้านไหนนะคะที่มีห้องครัวขนาดใหญ่ของเยอะมากอุปกรณ์นะคะลองหาตะแกรงเหล็กค่ะมาไว้เป็นทำเป็นชั้นเก็บของนะคะเพื่อแยกประเภทการใช้งานหรือว่าเครื่องใช้สอยเนี่ย นะคะต่างๆแยกประเภทเอาไว้เลยนะคะถูกจัดให้เป็นระเบียบก็จะทำให้ห้องเนี่ยดูโล่งแล้วก็ปล่งสบายมากกว่าเดิมค่ะนี่ก็คือเทคนิคทั้ง7ข้อนะคะที่เอนะมาฝากกันในช่วงของกลเม็ดเกรดเสริมครัวซึ่งจะสามารถช่วยให้ห้องครัวของคุณผู้ฟังดูเป็นระเบียบแล้วก็โล่งมากขึ้นอีกค่ะ นะคะห้องครัวใครที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหอุปกรณ์ก็แน่นนะคะของใช้ในห้องครัวก็เยอะแยะมากมายเหลือเกินลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปลองทำดูค่ะเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้ห้องครัวนะคะที่โอ้โหโล่งสะอาดตาในตอนแรกเลยเนี่ยกลับมาค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังเอมีเรื่องราวในเรื่องของการขาจัดคราบสกปรกบนเตามาฝากกันดูแค่ไหนรับรองว่าเอาอยู่ค่ะ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 เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของกลเม็ดรครัวไอเดียกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับช่วงนี้กลเม็ดเกล็ดท้ายครัวนะคะวันนี้เอมีวิธีการจัดคล้าบสกะปรกค่ะที่ เป็นคราบสกปรกบนเตานะีคะดื้อแค่ไหนรับรองว่าเอาอยู่อย่างแน่นอนถ้าถามว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนในห้องครัวเนี่ยสปกปรกที่สุดนะคะเชื่อได้เลยว่าหลายคนเนี่ยคงต้องโหวตให้เจ้าเตาอาหารนะคะเป็นอุปกรณ์ครัวที่สปกปรกติดอันดับหนึ่งอย่างแน่นอนยิ่งถ้าเป็นคราบน้ํามันแล้วก็คราบอาหารจากการปรุงสุกด้วยนะคะก็จะยิ่งติดฝังแน่นนะดื้อเป็นพิเศษถึงแม้ว่าคราบสปกปรกนะคะบนเตาเนี่ยจะดื้อแค่ไหนและไม่ว่าจะเป็นคราบสปกปรกจาก อะไรลองทำตามวิธีนะคะที่เอนำมาฝากกันในวันนี้รับรองว่าเอาอยู่แน่นอนค่ะอย่างแรกเลยนะคะจัดการด้วยแอมโมเนียขั้นแรกค่ะให้จัดการนะคะถอดส่วนประกอบของเตาแก๊สออกมาก่อน จากนั้นค่ะให้ผสมน้ำร้อนกับผงซักฟอกนะคะหรือว่าน้ำสบู่เข้าด้วยกันแล้วก็นามาเช็ดทําความสะอาดคราบสกรปรกบนเตารวมทั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกมาด้วยค่ะถ้าบนเตานะคะยังมีคราบสกรปรกติดอยู่ให้คลุมคราบสกรปรกเหล่านั้นด้วยกระดาษชาระชนิดแผ่นหนาะแล้วก็เทแอมโมเนียค่ะสำหรับใช้ในบ้านเนี่ยลงไปให้ชุ่มนะคะหุ้มแผ่นพลาสติก แล้วก็หมักทิ้งไว้อย่างนั้นสัก2ถึงสชั่วโมงเมื่อครบเวลาแล้วค่ะก็ให้นำกระดาษชำระนั้นออกนะคะแล้วก็ใช้น้ำร้อนผสมฝงสักฟอกเนี่ยหรือว่าน้ำสบู่ก็ได้ค่ะมาเช็ดทำความสะอาดอีกรอบหนึ่ง ต่อมาค่ะตัวช่วยต่อมาคือเบกกิ้งโซดานะ่คะเบกกิ้งโซดาเนี่ยสารพัดประโยชน์จริงๆนะคะคุณผู้ฟังถ้ารับฟังเอมาในช่วงหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะรู้เลยว่าเบกกิ้งโซดาเนี่ยทำได้หลายอย่างมีหลายประโยชน์มากๆจริงๆนะคะขั้นแรกเลยนะคะให้โรยผงเบกกิ้งโซดาค่ะลงบนครอบส ก, กรปรกนะคะหรือว่าโรยให้ทั่วเตาเลยก็ได้แล้วก็ฉีดน้าร้อนจัดนะคะพรมลงไป เพื่อที่จะให้เบกกิ้งโซดาเนี่ยละลายนะคะทิ้งไว้อย่างนั้นประมาณ30นาทีด้วยกันเราค่อยใช้ผ้านะคะเป็นผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดซ้ำลงไปอีกครั้งเท่านี้เนี่ยคราบสกปรกที่เคยเกาะแน่นอยู่บนเตานะคะก็จะหายไปเลยค่ะ ต่อมานะคะการทำความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็นส่วนเตาแล้วก็ถาดรองนะคะหากมีคราบสกปรกติดอยู่บนชิ้นส่วนของเตานะคะรวมถึงถาดรองในเตาอบด้วยให้ใช้กระดาษชำระค่ะชนิดแผ่านหนาห่อชิ้นส่วนต่างๆให้รอบนะคะแล้วก็นำไปจุม่มน้ำส้มสายชูกลั่นบริสุทธิ์ให้ชุ่มค่ะ ห่อพลาสติกอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อรักษาความชื้นด้วยก็ดีแล้วก็หมักทิ้งไว้สัก 2-3 สมชั่วโมงจากนั้นนะคะค่อยเช็ดทำความสะอาดชิ้นส่วนต่ตางๆอีกครั้งหนึ่งคุณจะสังเกตได้เลยค่ะว่าคราบสกรปรกที่เคยติดแน่นอยู่นะคะจะคลายตัวแล้วก็เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายมากขึ้นทีเดียวแต่ถ้าคราบสกรปรกบนถาดรองเนี่ย ยังออกไปไม่หมดให้คุณฉีดน้ำยาทำความสะอาดนะคะสำหรับห้องครัวให้ทัวถาดรองเลยค่ะจากนั้นก็นำถุงดำนะคะมาครอบถาดเอาไว้ทิ้งไว้อย่างนั้นข้ามคืนไปเลยนะคะวันรุ่งขึ้นเนี่ยค่อยนำออกมาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนผสมน้ำสบู่หรือว่าผงซักฟอกจนสะอาดค่ะ ต่อมาเป็นวิธีการสลายครอบหัวเตาด้วยการต้มนะคะหัวเตาเนี่ยก็อาจจะมีคราบอาหารติดแน่นอยู่ในนั้นได้เหมือนกันถ้าคุณสังเกตความสกรปรกบนหัวเตาก็ควรจะถอดออกมาจุ่มในน้ำต้มเดือดค่ะที่ผสมผงทำความสะอาดเครื่องครัวอเนกประสงค์เอาไว้ต้มประมาณ10นาทีนะคะดับไฟแล้วก็ปิดฝาหม้อต้มค่ะทิ้งเอาไว้อย่างนั้นข้ามคืนเลยนะคะวันรุ่งขึ้นค่อยนาหัวเตาเนี่ย ออกมาขัดทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนผสมผงซักฟอกหรือว่าน้าสบู่อีกครั้งหนึ่งจนสะอาดหรือคุณจะเปลี่ยนมาใช้เบกกิ้งโซดาแทนผงทำความสะอาดก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดเครื่องครัวอนเนกประสงค์ก็ได้เช่นกันค่ะ ต่อมานี่ยคือการฉีดสเปรย์แอมโมเนียขจัดคราบนะคะถ้าไม่สะดวกจะทําความสะอาดด้วยการต้มก็สามารถที่จะฉีดสเปรย์แอมโมเนียลงบนหัวเตาแล้วนําถุงดํามาครอบนะคะมัดปักถุงให้สนิททิ้งไว้ข้ามคืนเช่นกันค่ะแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ค่อยนําหัวเตาออกมาทําความสะอาดด้วยน้ําร้อนผสมน้ําสบู่อีกครั้งนะคะต่อมาเป็นวิธีของการขัดด้วยครีมออบทาทา ผสมครีมอัลตาทานะคะกับน้ำส้มสายชูกลั่นบริสุทธิ์อย่างละครึ่งหาเข้าด้วยกันคนให้เป็นครีมนะคะข้นเหนียวแล้วก็นํามาป้ายลงบนคราบสกปรกที่หัวเตาทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะจากนั้นค่อยๆทําความสะอาดคราบนะคะสกปรกให้หมดไปนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกชนิดไหนนะคะทั้งหมดที่เอบอกมานี้จัดการได้แน่นอนรับรองว่าเอาอยู่นะคะนี่แหละเป็นวิธีทําความสะอาดคราบสกปรกติดแน่นบนเตาทั้งหมดที่ เรานำมาแนะนำกันนะคะอยู่หมดทุกคราบรับรองว่าถ้านำไปใช้นะคะสะอาดแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ วันนี้นะคะเอกก็ต้องขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆนีทั้งนี้ด้วยนะคะจากเว็บไซต์กระปุก .com นะคะที่นําข้อมูลแล้วก็สาระความรู้ดีๆนะคะมาฝากเราแล้วก็มาเผยแพร่ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยสําหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังรายการกลเม็ดรครัวไอเดียของเรานั้นหมดเวลาลงแล้วเสียดายจริงๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะกลับมาติดตามรับฟังกันอีกเนี่ยต้องสัปดาห์หน้าแล้วละนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณสําหรับการ ติดตามรับฟังนะคะหมดเวลาของรายการเอแล้วก็ทีมงานวิทยุราชมงคลทัญบุรีทุกท่านแล้ววันนี้เอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ RMTT Farm Shop ยินดีต้อนรับค่ะ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 รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติดชมรายการได้ที่ f a c e b o o k c o m r a d i o 8 9 5 m e g a h z สร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี